บ่ายวันหนึ่งนายสำริตมาพบท่านพระครูที่กุฏิเห็นหน้าตาของเขาเศร้าหมองสมผานวัดป่ามะม่วงจึงทักขึ้นว่าหายไปเส้นนานเลยนะแล้วนี่ไปยังไงมายังไงเรียนจบแล้วหรื อ, อยังทำไมหน้าตาห ม, ม่นมองไม่ผ่องใสเอาเสียเลยไม่สบายาหรือเปล่า ท่านทักทายและถามไทยถามหลายประโยคด้วยกันผมไม่เจ็บไม่ไข้อะไรหรอกครับหลวงนาะแต่หลวงพ่อของผมนี่สิสิ่งที่พูดขาดห่วงไปเสฉยเฉยหลวงพ่อเองเป็นอะไรไหนบอกมาสิท่านท่านมรณภาพแล้วครับ ตอบเสียงเครือแม้ไม่ได้ร้องไห้หากดวงตาทั้งสองแดงกำ่ำอา้าวหลวงพี่ตุตายเสร็จแล้วหรืตายเมื่ อ, อไรแล้วเป็นอะไรตายเมื่อเช้านี้ครับแต่ไม่มีใครรู้ว่าท่านตายตอนไหนเพราะท่านไม่ตื่นพอพระลูกวัดไปดูก็พบว่าท่านไม่หายใจแล้วเลยลงความเห็นว่าท่านหลับตายใชยหนุ่ม ซึ่งยังอยู่ในชุดนักเรียนมัธยมปลายตอบแล้วใครมาส่งข่าวเองละ่ะพระวัดกลางทุ่งครับท่านไปหาผมที่วัดไม่พบก็เลยไปหาที่โรงเรียนผมจึงรีบมาเรียนหลวงนาะจะชวนไปงานศพด้วยเขาใช้คำว่าชวนแทนนิมนต์ข้าเป็นพระเอ็งมาชวนข้าไปโน่นมานี่ไม่ได้หรอกต้องนิมนต์ ข้าถึงจะไปได้ภิกษุมัชิมาวัยสอนเขาทางอ้อมผมขอโทษที่พูดผิดถ้าเช่นนั้นผมขอพูดใหม่ว่านิมนต์หลวงนะไปงานศพหลวงพ่อผมด้วยครับตกลงข้ารับนิมนต์ว่าแต่ว่าเราจะไปกันยังไงล่ะจะไปตามนายหลอ่อก็อยู่ถึงอินบุรีโนนสงสัย จะต้องจ้างนายอูขับรถไปส่งเนแล้วเองช่วยไปเรียกเจ้าแดงหรือเจ้าขาวขึ้นมาหาข้าหน่อยสิท่านเจ้าของกุฏิสั่งนายสำริด จ, จึงลงไปเรียกแฝดพี่ขึ้นมาหลวงพ่อมีอะไรจะใช้ผมหรือครับหนุ่มน้อยถามถ้าไม่มีข้าจะให้ไปตามขึ้นมาทำไม เองนี่ถามโง่โงเมื่อไรจะหายโง่กันสักทีโง่ทั้งพี่ทั้งน้องเลยนายขาวลอยถูกร่างแหไปด้วยหลวงพ่อจะด่าผมก็ด่าคนเดียวสิครับเจ้าขาวมันไม่รู้เรื่องด้วยนายแดงออกรับแทนน้องชายข้าไม่ได้ดา่าข้าพูดความจริงต่างหาก หรือเองจะเถียงว่าไม่จริงจริงหรือไม่จริงผมก็ไม่เถียงหลวงพ่อหรอกครับเสียงที่พูดมีแววประชดประชันที่ไม่เถียงเพราะเถียงไม่ขึ้นต่างหากเอาละ่ะเองไม่ต้องมาต่อล้อต่อเถียงที่ข้าเรียกมันนี่ก็เพื่อจะใช้ให้เองไปตามนายอูมาพบข้าหน่อยไปเดี๋ยวนี้เลย นายแดงกราบสามครั้งแล้วจึงลงมาเขาชวนน้องชายคู่แฝดไปด้วยไม่รู้ว่าเมื่อคืนฝันร้ายอีกหรือเปล่าท่านพูดเหมือนบน่นใครฝันร้ายครับหลวงนาะนายสัมฤทธิ์ไม่เข้าใจในายอู น, น่ะสิเขามักฝันร้ายอยู่บ่อยๆฝันว่ามัจจุราชต้องการตัว เพราะเสียสัจจะบอกจะบวชแล้วไม่บวชข้าก็เตือนหลายครั้งแล้วว่าให้บวชเสียทีเขาก็ยังผัดผ่นถ้าไม่บวชรับรองตายแน่แกเสียสัจจะเรื่องอะไรหรือครับหลวงนาะลูกชายสมพันธ์ตุอยากรู้เสียสัจจะตรงที่อธิฐานว่าจะบวชแล้วไม่บวช คนเราลองได้เสียสัจจะก็ไม่เหลือค่าของความเป็นคนอีกต่อไปเองก็เหมือนกันเกิดเป็นคนอย่าให้เสียสัจจะท่านถือโอกาสสอนทำไมเขาไม่ยอมบวชแล้วครับกอ น, นั่นนะสิข้าถึงว่าเขาเสียสัจจะไงละ่ะตอนเรือคว่มเขากำลังจะจมน้ำตาย ก็ห่วงเมียซึ่งกำลังท้องลูกคนแรกจึงอธิษฐานว่าถ้ารอดชีวิตจะบวชหนึ่งพรรษาจนบัดนี้ก็ยังไม่ยอมบวชลูกหรือก็โตเป็นสาวและมีน้องอีกตั้งหลายคนยุ่มมาบานเลยมาทวงทวงอย่างไรครับก็มาเข้าฝันและบอกว่าถ้าไม่บวช จะเอาตัวไปเมืองนรกคืนไหนเขาฝันเห็นยมมาบานรุ่งเช้าก็จะไม่ยอมออกรถข้าถึงได้กลัวว่าเกิดเมื่อคืนเขาฝันร้ายก็จะไม่ยอมไปส่งเราเอ็งต้องช่วยข้าพูดนะพูดให้เขาไปส่งให้ได้ไม่ต้องห่วงหรอกครับหลวงนาะผมต้องใช้ความพยายามอย่างที่สุด จะให้กราบกรานแกผมก็ยอมชายหนุ่มรับคำครึ่งชั่โมงให้หลังนายอูก็ตามนายแดงขึ้นมาบนกุฏิเขากราบท่านพระครูสามครั้งแล้วเอ่ยขึ้นว่าลุงพ่อจะให้ผมไปส่งที่ไหนหรือครับรู้ว่าหากไม่ใช่เรื่องนี้ท่านพระครูคงไม่ให้ไปตามแทนคำตอบท่านกลับถามว่า เมื่อคืนฝันร้ายหรือเปล่านายอู่ยิ้มและตอบว่าไม่ฝันครับเมื่อวานเป็นวันพระก่อนนอนผมจึงสวดมนต์แผ่เมตตานานกว่าทุกวันเลยไม่ฝันร้ายแต่ถึงอย่างนั้นอาตมาก็ขอเตือนว่าให้รีบมาบวชเสียเข้ามาเตือนแล้วนะต้องรักษาสัจจะ นี่ลูกก็โตเป็นสาวแล้วยังจะห่วงอะไรอีกเ่ออาตมาเธอผมอยังไม่พร้อมพูดเสียงห้วนด้วยไม่ศบอารมณ์เอาละถ้าคำเตือนของอาตมาทำให้โยมไม่พอใจอาตมาก็จะไม่ขอพูดเรื่องนี้อีกเรื่องของกรรมไม่มีใครทำให้กันได้เอาละ เรามาพูดเรื่องธุระกันดีกว่าที่อาตมาให้โจโดแดงไปตามก็เพราะจะให้โยมช่วยไปส่งที่วัดกลางทุ่งอำเภอท่าวุ้งสักหน่อยลุงพ่อของเจ้าสัมฤทธิ์ท่านมารณะภาพอาตมาจะไปช่วยงานศพอาอูช่วยผมหน่อยนะครับผมเพิ่งรู้มาตอนสายนี่เองถ้าอาอูไม่ช่วยผม ก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครเพราะคนแถวนี้ก็มีแต่อาอูเท่านั้นที่มีรถนอกนั้นก็ยากจนข้นแค้นจะกินเข้าไปก็ยังไม่มีนับประสาอะไรจะมาซื้อรถมาขับหนุ่มสำริดพูดยกแม่น้ำทั้งห้าจนนายอู่ต้องโบกมือห้ามเอาละเอาละไม่ต้องสาทะยายถึงยังไงข้าก็ต้องไปส่งไม่เห็นแก่เองข้าก็ต้องเห็นแก่หลวงพ่อว่าแต่ว่า น้ำมันขึ้นราคาอีกแล้วครับหลวงพ่อนายอูไม่วายสอนิสัยพ่อค้าหน้าเลือดเอาเถอะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงอาตมาจะเป็นคนจ่ายค่าน้ำมันเองส่วนค่าจ้างโยมเรียกมาเต็มที่ไม่ต้องเกรงใจอาตมาไม่ชอบเอาเปรียบใครอยู่แล้วหลวงพ่อคงไม่คิดว่าผมเอาเปรียบหลวงพ่อนะครับ นายอูรู้สึกร้อนตัวไม่เป็นไรถึงจะเอาเปรียบก็ไม่ว่ากันเพราะการค้าขายก็ต้องเก่งกำไรอยู่แล้วพ่อค้าแม่ค้าเขาก็อยากได้กำไรมากๆจะได้แข่งกันรวยพูดแล้วจะหาว่าคุยถ้าอาตมาเป็นพ่อค้าป่านนี้รวยไม่รู้เรื่องแล้ว ถ้ารวยไม่รู้เรื่องแล้วจะมีประโยชน์อะไรล่ะครับหลวงนาเกิดให้ผมเลือกระหว่างรวยไม่รู้เรื่องกับจนไม่รู้เรื่องผมว่าผมเลือกอย่างหลังดีกว่านายสำริดให้ความเห็นโดยที่ไม่มีผู้ใดขอนี่เองอย่ามัวพูดมากจะไปก็ไปกันเดี๋ยวนี้เลยโยมอยู่พร้อมแล้วหรือยังท่านถามนายอู่พร้อมแล้วครับ นิมนต์หลวงพ่อไปขึ้นรถได้เขาก้มลงกราบสามครั้งแล้วจึงลงไปรอท่านที่ลานจอดรถก่อนออกจากกุฏิท่านพระครูเรียกนายแดงกับนายขาวมาสั่งว่าดูแลกุฏิไว้ให้ดีใครมาหาข้าก็ให้บอกเขาว่าข้าไปงานศพที่อำเภอท่าวุ้งคงกลับดึกไม่ต้องรอ ถ้ามหาบุญถามก็เรียนท่านไปตามนี้เข้าใจหรือเปล่าเข้าใจครับหนุ่มคู่แฝดตอบพร้อมกันหนึ่งชั่วโมงให้หลังนายอู่ก็ยังพาท่านพระครูไปไม่ถึงวัดกลางทุ่งเขาต้องขับรถด้วยความยากลำบากเพราะถนนขรุขระหนทางเป็นหลุมเป็นบ่อสงสัยผมต้องคิดค่ารถเสื่อมด้วยนะครับหลวงพ่อ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อยอย่างนี้ผมกลัวช่วงล่างจะพังเขาหมายถึงช่วงล่างของรถกระบะคู่ที่เอาเถอะแล้วอาตา ม, มาจะจ่ายทดแทนเป็นค่าเสื่อมให้ท่านพระครูรู้สึกเห็นใจเจ้าของรถแม้อาอูผมรู้สึกว่าอาจจะเข็มไปหน่อยนะนี่จะเรียกจนหลงนะ้าหมดเนื้อหมดตัวเลยหรือไง นายสำริ์พูดขึ้นอย่างอดทนทนไม่ไหวเขานั่งติดกับนายอูส่วนท่านพระครูนั่งด้านซ้ายสุดเอ็งไม่ต้องพูดมากนี่ถ้าไม่เห็นแก่ท่านพระครูข้าไม่มาด้วยหรอกรถลาข้าจะพังก็เพราะเอ็งนี่แหละนายอูพูดอย่างไม่ศบอารมณ์แต่อาก็พูดอยู่ยกยวกว่าจะคิดค่าเสื่อมจากหลงนาะเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วเลิกบ่นสที ผมชักรำคาญแล้วนะอิงนั่นแหละเลิกพูดไม่เช่นนั้นข้าจะกลับเดี๋ยวนี้แหละไม่ปงไม่ไปมันแล้วข้มเรก พ, พืดจนผู้โดยสารหน้าขมำคิดว่าถ้ากลับไปตอนนี้ก็ยังพอมีกำไรเพราะท่านพระครูเติมน้ำมันให้จนเต็มถงังนี่สำริเองนั่งเฉยเฉยได้ไหมส่วนโยมอู ก็อย่าไปต่อลาะต่อเถียงกับเด็กนึกว่าเห็นแก่อาตมาเถิดนะท่านพระครูปรามทั้งสองคนนายสำริดกับนายอู่จึงต้องนิ่งคนหนึ่งนิ่งเพราะกลัวจะไปไม่ถึงวัดกลางทุ่งส่วนอีกคนนิ่งเพราะเกรงใจท่านพระครูบวกกับกลัวไม่ได้ค่าเสื่อมรถต่อจากนั้นอีกพักใหญ่ในายอู่ก็พาท่านพระครูและลูกชายสมพันตุ มาถึงวัดกลางทุ่งทายกและญาติโยมพากันมาต้อนรับและนิมนต์เจ้าคณะอำเภอพรมบุรีขึ้นไปบนศาลาที่ตั้งศพสมภารวัดป่ามะม่วงเดินไปที่หน้าโลงศพกราบพระรัตนตรัยแล้วจึงทำความเคารพศพด้วยการกราบสามครั้งเพราะผู้ตายเป็นพระนายสำริดปราดเข้าไปคุกข่าวต่อหน้าภาพถ่ายของบิดา ซึ่งตั้งไว้หน้าหลงศพกราบสามครั้งและพูดกับภาพถ่ายของภิกษุวัยหสเศษซึ่งดูเหมือนท่อสายตามาจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของบุตรสุดที่รักชายหนุ่มมิอาจกลั้นน้ำตาไว้ได้เขารำพึงรำพันว่าหลวงพ่อทิ้งผมไปอีกแล้วหรือเมื่อก่อนผมกำพร้าแม่กำพร้ายายแต่ก็ยังมีพ่อถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน ผมก็ยังพออุ่นใจบ้างแต่มาบัดนี้หลวงพ่อก็มาจากผมไปอีกคนผมไม่เหลือใครอีกแล้วไม่มีญาติแล้วท่านพระครูรู้สึกสะเทือนใจในท้อยคำของชายหนุ่มที่ท่านให้ความอุปการะมาจึงปลอบใจด้วยการเอื้อมมือไปตบไหล่เขาเบาๆอย่าเสียอกเสียใจไปเลย ถึงอย่างไรเองก็ยังมีค่าข้าขอรับรองว่าจะไม่ทอดทิ้งเองขอให้เชื่อข้าและตั้งสติให้ดีเดี๋ยวเราไปปรึกษากับทายกว่าจะตั้งศพสวดกี่วันพูดจบท่านจึงลุกออกไปนั่งยังเก้าอี้รับแขกซึ่งญาติโยมนำน้ำร้อนน้ำชามาเตรียมถวายทายก เป็นคนประเคนน้ำปานะแด่ท่านในสมัมฤทธิ์ลุกตามออกมานั่งอยู่เบื้องหลังวัดนี้มีพระกี่รูปท่านถามทายกห้ารูปครับตอนนี้ก็เลยเหลือสี่รูปทายกตอบดีแล้วครบองค์สงพอดีเวลาสวดพระอภิธรรมจะได้ไม่ต้องไปนิมนต์พระวัดอืน่น สามรูปสวดไม่ได้หรือครับท่านพระครูทายกวัดกลางทุ่งถามไม่ได้เพราะไม่ครบองค์สงตามพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญตัติเจ้าคณะอำเภอพรมบุรีตอบแล้วเกินได้ไหมครับเกินได้ขาดไม่ได้หมายความว่าถ้าเป็นงานสวดพระอภิธรรมศพ จะนิมน์พระเกินสี่รูปมาสวดก็ได้อย่างนั้นหรือครับถูกแล้วและถ้าเป็นงานมงคลจะนิมนตพระสี่รูปมาเจริญพระพุทธมนตรก็ได้แต่คนเขาไม่นิยมกันเพราะไปยึดติดว่าสี่รูปต้องเป็นงานศพเข้าใจหรื อ, อยังละ่ะเข้าใจแล้วครับเออท่านครับผมเห็นท่านกราบศพท่านสมภารสามครั้งแล้วก็แบมือด้วย ผมเคยรู้มาว่ากราบศพนั้นกราบครั้งเดียวและไม่แบมือสงสัยผมจะรู้มาผิดผิดไม่เป็นไรผิดก็แก้ให้ถูกได้การกราบนั้นเขาไม่ได้แบ่งแยกว่ากราบคนเป็นแบบหนึ่งกราบคนตายอีกแบบหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นจะเป็นหรือตายก็กราบแบบเดียวกัน คือถ้ากราบคนให้กราบหนึ่งครั้งไม่แป่มือท่านพระครูอธิบายแปลว่าไม่ได้แบ่งแยกระหว่างคนเป็นกับคนตายแต่แบ่งแยกระหว่างพระกับครือขัดอย่างนั้นใช่ไหมครับถามเพื่อความแน่ใจถูกแล้วโยมเป็นทายก จะต้องเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ไว้เวลามีญาติโยมมาถามจะได้อธิบายให้เขาเข้าใจเอาละแล้วเรื่องงานศพจะทำอย่างไรจะสวดพระอภิธรรมกี่คืนแลจะจากชาปนกิจเมื่อไรผมปรึกษากับรองเจ้าอาวาสแล้วท่านบอกว่าจะสวดเจ็ดคืนและชาปนกิจในวันที่8ถ้ายกตอบ ทำไมถึงเร็วนักแล้วเนี่รองเจ้าอาวาสไปไหนไม่เห็นออกมาต้อนรับอาคันตุกะท่านเข้าไปจังหวัดครับจะไปนิมนต์เจ้าคณะจังหวัดมาเป็นประธานในวันชาปนากิจไปกับพระรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งไปส่งข่าวลูกชายสมภารและจะแวะไปนิมนต์เจ้าคณะอำเภอมาช่วยเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมส่วนอีกรูปเพิ่งขึ้นกุฏิไปก่อนหน้าท่านจะมาถึงเห็น บอกว่าจะขอจำวัดเอาแรงไว้รับงานคืนนี้เข้าอธิบายมีเจ้าภาพครบทั้ง7คืนหรื อ, อยังท่านถามอีกยังเลยครับคืนนี้พวกญาติโยมร่วมกันเป็นเจ้าภาพคืนพรุ่งนี้คงจะเป็นท่านเจ้าคณะอําเภอท่า่วงถ้าหาเจ้าภาพไม่ได้ทางวัดก็ต้องจัดการกันเองทายกตอบ ถ้าเช่นนั้นอาตมาขอร่วมเป็นเจ้าภาพวันมรืนนี้และถ้าคืนไหนไม่มีเจ้าภาพอาตมาจะขอรับผิดชอบเองท่านคิดว่าคงจะต้องไปรบกวนนายหล่อให้มาช่วยขับรถรับส่งเพราะรำคาญนายอูในความเป็นคนขี้งกและขี้บ่นของเขาหลวง น, นะครับผมอยากบวดเนนให้หลวงพ่อ นายสำริ์พูดขึ้นจะบวชเมื่อไรล่ะวันนี้เลยได้หรือเปล่าครับจะดีหรือข้าว่าเอ็งอยู่ช่วยงานทางนี้ไปก่อนแล้วค่อยบวชวันชาปนากิจบวชเช้าศึกเย็นเพราะเอ็งต้องไปเรียนหนังสือต่อดีครับงั้นคืนนี้ผมไม่กลับไปกับหลวงน้านะครับเอเห็นจะไม่ได้ เพราะผมไม่มีเสื้อผ้ามางั้นผมกลับกับหลวงนะมามรืนนี้ค่อยมาใหม่แล้วก็อยู่จนถึงวันชาปนากิจเลยเขาพูดเองเออเองเสร็จดีพรุ่งนี้เองจะได้ไปเรียนอีกวันเรียนเสร็จก็เอาเสื้อผ้ามาค้างที่วัดป่ามะม่วงรุ่งเช้าจะได้มาด้วยกันท่านพระครูช่วยวางแผนให้ดีครับ ผมก็ไม่อยากขาดเรียนมากแล้วสมพานท่านรู้เรื่องแล้วหรือยังท่านหมายถึงสมพานวัดที่นายสัมฤทธิ์ไปอาศัยอยู่เพื่อเรียนหนังสือคงยังกระมังครับพอพระท่านไปบอกผมที่โรงเรียนผมก็ไปหาลหลวงนาเลยผมไม่รู้ว่าพระท่านบอกสมพานหรือเปล่าถ้ายังไม่ได้บอกผมก็จะไปเรียนให้ท่านทราบดีแล้ว เราไปอาศัยท่านอยู่จะไปไหนมาไหนก็ต้องขออนุญาตจากท่านเสียก่อนท่านจะได้ไม่เป็นห่วงครับชายหนุ่มรับคำนิ่งไปสักครู่หนึ่งจึงถามทายกว่าลุงครับผมถามจริงๆเธอว่าลุงพ่อของผมท่านมรณภาพเพราะอะไรเขาอยากรู้สาเหตุที่แท้จริงทายกทำหน้าปัญยาก เพราะคิดไม่ถึงว่าลูกชายสมภารจะถามอย่างนี้